สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์พี่น้องครับเราอยู่ใน20ิบกฎทองคำท่อที่9กนะครับก็คือกฎแห่งการขานรับกฎแห่งการตอบรับในพระวจนะของพระเจ้าทำให้เราเห็นได้ชัดครับว่าพระเจ้าได้ทรงขานรับหรือขานตอบหรือตอบรับหรือตอบสนองต่อการกระทาของพวกเรา เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้กฎตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะรู้ว่ามันมี c o สและเอฟ f ฟกตมันมีเหตุและมีผลเกิดขึ้นครับพี่น้องเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นในหนังสือของกฎทองคำ20ข้อของศาสนาาจารย์ด็ p h i l i ร์ฟิลิปเทงซึ่งแปลโดยท่านศาสนาาจารย์สุพิษวิจักโยธินนั้นได้ให้เรารู้ถึงข้อแรกว่าพระเจ้าได้เอาความรัก ต อ, อบสนองกับสะท้อนมาถึงคนที่รักพระองค์ครับปะจนะก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์โบบที่14ข้อ21และ23นะครับผู้ที่รักเราเราก็รักเขาและจะสาแดงตัวให้ปรากฏแก่เขาผู้ที่รักเราพระบิดาจะทรงรักเขาและพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขาพี่น้องครับเห็นชัดเจนนะครับว่าพระเจ้าได้ทรงตอบสนองเมื่อเรารักพระองค์ พระองค์ตอบสนองเราด้วยความรักเราคืนมาในเช้าวันนี้เราจะเข้าสู่ประการที่สองครับกฎข้อที่สองของการขานรับก็คือผู้ที่ให้เกียรติเราเราจะให้เกียรติเขาผู้ที่ให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าก็จะให้เกียรติเขาผู้ที่ยกย่องพระเจ้าพระเจ้าก็จะยกย่องเขา พระชนะของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งโซโมเอลบทที่สองข้อสานะครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าผู้ที่ให้เกียรติเราเราจะให้เกียรติเขาพี่น้องครับในพระธรรมหนึ่งโซโมเอลบทที่สองข้อที่30นี้เราจะเห็นตัวอย่างครับตัวอย่างของดาวิดท่านมองเห็นความสําคัญของพระเจ้ายิ่งกว่าการเป็นกษัตริย์ของตัวเอง ท่านมีโอกาสถึงสองครั้งที่จะฆ่ากษัตริย์ซาอูลและได้ตำแหน่งกษัตริย์แทนแต่ท่านไม่ทำแบบนั้นครับเพราะว่าท่านไม่อยากที่จะทำล้ายผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ในหนึ่งสมุเอลบทที่24ข้อ1นถึงข้อนั้นทำเราเห็นครับว่าดาวิดให้เกียรติพระเจ้ามากกว่ามากกว่าเพราะฉะนั้นเขาถวายเกียรติพระเจ้าสูงสุดและในที่สุดพระเจ้าก็ให้เกียรติเขาพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นพระเจ้ากล่าวอย่างนี้ครับว่าขอพระเจ้าทรงห้ามไม่ให้ข้าพเจ้ากระทำสิ่งนี้ต่อเจ้านายของข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้คือที่จะเหยียดมือออกต่อสู้กับท่านโดยว่าท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้พี่น้องครับในข้อนี้เองทำให้เราเห็นครับว่าพระเจ้าทรงตั้งใครพระเจ้าก็จะปลดเขาเช่นเดียวกันครับ เราเองเป็นใครที่เราจะแตะต้องผู้ที่พระเจ้าเจิมไว้นั่นคือดาวิดนั้นกำลังให้เกียรติพระเจ้าและให้เกียรติผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมในที่สุดครับเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าพระเจ้าก็ยกดาวิดขึ้นมาให้เป็นกรรษัตริย์ครองบัลลังก์อิสราเอลแทนซาอูลพี่น้องครับตรงนี้นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับเพราะว่าแท้จริงแล้วซาอูลนั้น มุ่งหมายที่จะเอาชีวิตดาวิดเอาถึงตายเลยครับเพราะว่าซาอูนั้นเป็นกษัตริย์ที่ไม่ดีเป็นกษัตริย์ชั่วร้ายซาอูนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีใจกับพระเจ้าหลงอำนาจของตัวเองและคิดว่าตัวเองนั้นมีความสามารถเพราะว่าสถานภาพร่างกายของกษัตริย์ซาอูนั้นก็ใหญ่โตสูงใหญ่บุคลิกดีเหมาะกับการเป็นกษัตริย์เป็นอย่างยิ่ง และด้วยเห็นนี้เองทําให้กษัตริย์ซาอูลนั้นก็อิจฉาดาวิดเพราะว่าพระเจ้านั้นได้ผ่านทางผู้เผย พ, พจนะซามูเอลและเจิมดาวิดเป็นกษัตริย์ซามมเอลได้เจิมและประกาศและทอดกษัตราาิย์ซาอูลออกแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาของพระเจ้าครับซาอูลก็เลยมีความแค้นกับดาวิดตามไล่ล่าชีวิตของดาวิดดาวิดนั้นต้อง ใช้ชีวิตเล่ร่อนลีภัยเพื่อหนีจากการตามฆ่าของกษัตริย์ซาอูลแต่ในที่สุดครับพระเจ้าทรงเป็นผู้มอบบัลลังก์ให้กับดาวิดพี่น้องครับชีวิตของเรานั้นพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อที่จะมีเป้าหมายสูงสุดคือการถวายเกียรติแด่พระองค์พี่น้องครับเพราะจนักพระเจ้าหลายตอนมากที่พูดถึงการถวายเกียรติแด่พระเจ้า การให้เกียรตินมัสการพระเจ้าถวายคำสรรเสริญที่พระเจ้าสมควรจะได้รับมีข้อพระคัมภีร์มากมายครับที่พูดถึงว่าเราควรจะต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนก็คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าและชื่นชมยินดีในพระองค์ตลอดไปพี่น้องครับพระเจ้ของพระเจ้าที่พูดถึงเรื่องการถวายเกียรตินะครับยกตัวอย่างเช่นโอ ตระกูลของชนชาติทางหลายเอ๋ยจงถวายแด่พระเจ้าจงถวายพัสริและกำลังแด่พระเจ้าจงมอบพัสริซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระเจ้าจงนำเครื่องบูชามาเฝ้าพระองค์จงประดับกายด้วยเครื่องบริรสุทธิ์น้อมสักการพระองค์พระคำพีทั้งสองข้อนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงศวรรดิบทที่สข้อถึงข้อ ในพระธรรมยอนซึ่งคุณเคยมากครับในบทที่15ข้อที่8เพราะบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวกของเราการที่เราเกิดผลมากเป็นการถวายเกียรติพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยมากๆนะครับดังนั้นชีวิตของเราควรจะต้องเกิดผลมากที่ไหนที่ไม่เกิดผล เราจะต้องไปยังที่ที่เกิดผลครับบางครั้งที่ไหนที่ยังไม่เกิดผลเราเองอาจจะต้องรอคอยด้วยความอดทนเพื่อมันจะเกิดผลถวายแด่พระเจ้าเพราะเจ้าน้าของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับในพระธรรมตอนบทที่15ข้อที่5และข้อที่6ครับขอพระเจ้าแห่งความเพียรและความชูใจทรงโปรดช่วยให้ท่านมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันตามอย่างพระเยซูคริสต์ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้พร้อมใจกันสัรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระกัมพีอีกตอนครับหนึ่งโครินต์บทที่6ข้อ20พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงเ<ม>หตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของตนเถิดหนึ่งโคริน์บทที่10บข้อ เหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานและดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงกระทําเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระคัมภีร์อีกสองตอนสุดท้ายครับพี่น้องสำหรับวันนี้เอเฟซสบทที่3ข้อ21ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิตอาเมน ในฟิลิปปีบทที่1ข้อ11ครับจะได้เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยพระเยซูคริสต์เพื่อถวายพระเกียรติและความสรรเสริญแด่พระเจ้าพี่น้องครับนี่คือพระคัมภีร์ตอนต่างๆที่เน้นถึงการถวายเกียรติแด่พระเจ้าคำถามของผมในเช้าวันนี้ก็คือว่าเราเองนั้นก็ควรจะต้องสำรวจชีวิตของเราครับ ว่าชีวิตของเรานั้นทมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าแล้วหรือยังหรือไม่และอย่างไรครับหลายครั้งทีเดียวเมื่อนั่งลงเงียบๆ เ, เข้าเฝ้าพระเจ้าฟังพระสุรเสียงโดยการอ่านพระวจนะและฟังคำเทศนาะฟังคำแบ่งปันทั้งหลายพี่น้องครับเราอาจจะไม่มีเวลาที่จะมาย่อย แต่ถ้าเราใช้เวลากับพระเจ้าในแต่ละวันครับที่จะย่อยสิ่งที่พระเจ้าได้พูดกับเราให้มันซึมซับเข้าไปอยู่ในชีวิตฝ่ายจิตวิ ญ, ญญาณของเราผมเชื่อแน่ว่าชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราของพี่น้องทุกท่านก็จะจำเดินเติบโตขึ้นเพราะว่าอาหารที่บำรุงเลี้ยงฝ่ายจิตวิ ญ, ญญาณก็คือพระวจนะของพระเจ้านั่นเองพี่น้องครับการย่อย เป็นขบวนการที่สำคัญครับการที่เราจะนั่งนิ่งๆสงบอยู่กับพระเจ้าแต่เพื่อที่จะให้พระเจ้าของพระเจ้าที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านในแต่ละวันนั้นพี่น้องครับจะเกิดผลมากในชีวิตของเราการเกิดผลมากฝ่ายวิญ ญ, ญาณกับตัวเองก็สำคัญนะครับการเกิดผลมากฝ่ายวิญญาณของตัวเองของเรานี่ก็สำคัญนะครับพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะว่านั่นคือการถวายเกียรติพระเจ้า ในแง่หนึ่งนั้นขาต้องขอบคุณพระเจ้าครับที่เรามีอาหารมากมายหลากหลายฝ่ายวิญญาณครับไม่ว่าจะเป็นคำเทศนาอาจารย์ต่างๆที่ได้แบ่งปันให้กับพวกเราในทุกๆเชา้าและปะจนะของพระเจ้าซึ่งเราต้องอ่านเองด้วยครับพี่น้องต้องไข่ควรต้องทำาลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่เราเองนั้นจะถวายเกียรติพระเจ้าสูงสุดอันเป็นพระประสงค์ ที่พระเจ้าสร้างเรามาพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านอาเมน